ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีเจ้าล้อสุบหานะหัวตาและประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนคุรานทุกๆ ท, ท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละวันนี้ก็เรามาถึงอายาที่155ซึ่งมีเรื่องของหลักอะกีด้าด้วยนะเพราะว่าคนเราพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายจะเป็นผู้ศรัทธาได้เนี่ย ต้องมีหลักความเชื่อที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานาหูวตาลาะดังนั้นทางนำนั้นมีแค่ทางเดียวทางที่ถูกต้องมีทางเดียวส่วนทางที่หลงผิดมีมากมายเหลือเกินนะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของชาวยาฮูดนะครับที่ปฏิบัติกับ นบีอีสาเอลิฮิสซาลามนะแล้วก็จะมีเรื่องอื่นอื่นอีนอกนะครับฉัลลอฮ์นะเดี๋ยวเราดูความหมายกันหลังจากที่เราอ่านเรียบร้อยแล้วนะก็ะเริ่มต้นที่สุรา์อัลฟาติฮะก่อนนะครับอัลลอฮฺบิลเลาะห์ฮิมินัลชัยตอนยูรนนาจีม ب ิ سم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم มัลกียามิดดินいや كنا عبود و いや كنا استعين إ ه د ن ا ا ل س ر ا ت المستقيم สิ ا ัَ الذين أنعمت عليهم غير المضوب عليهم ولا ض ا ل َ อาเมนอ้าอุบุบิลลาฮิมินอัลชาอิตานอัลรจีมอายุตรงตินลาเจอแล้วนะอายะที่หนึ่งร้อยห้าสิบห้านะครับฟาบีมานากอดีฮิมนะ ฟะบَมาน قضيهم ميثاقهم و ك ف ر ِ ه م بآيات الله ว่ากัดลิห์มุล ب อมบิยะบ ح กรีพักวิวว่าก็ลิห์ بلطب الله عليها بكفرهم فلا يمينون إلا قليلا วบิคุฟริห์มว่ากูลิห์มอาลามะรย์มะบุตานอัล ه ิม่าวบิคุฟِิห์มวَากْูิห์มอาลามะยบุตนัลกิมว่ากลห์มอิน น่นก็ตันั่นมาซอสบนมะรย์มะ ر و ل อัลลอฮ وَ ามา قاتل ุหว่าَา صلبو ห์ ولكن شبيها لهم وإن الذين แต่ละฟูฟีเหล่าฟีชักมินวัลฟมลห์มบห์มิอมิอลตติบ วَ่แม้คนจُรู้อย่ากินนะ ر َ ف َ ع َ ه ฟ اللَّهُ อِ ل َ ي ล ه ِ ك َ ا กَน ل ل َّอُ ع َาِ ي ز ัน حكيمًا ك َากَ ا, إ, أ ل ل َّอُ ع อ ز ِิ ز ً ا حكيمًا َ إ ِอْมِิน أهل الكتاب إلّا لا يُؤمن النبّي قبل موتِه วْนอยู่ม์อีกี้ามตีจะกุนุอัลเลย์หิมช่าฮิดะวันอยู่ม์อีกَ้ามตีจะกُลอัลเลย์หิมช่าฮิดะอ่ะมาดูความหมายนะครับเฟอร์บีมาเนาะกอดีหิมมีซากอหุมวาโกฟรีหิมมีอายาติดลาอัลลอฮ์กำลังกล่าวถึง ชาวยาฮูดบอกว่าเราได้สาบแช่งพวกเขาและเราเนี่ยได้สาบแช่งพวกเขาอันเนื่องจากที่พวกเขานั้นได้ปฏิเสธหรือทำลายสัญญาบีอายาติลาพวกเขานั้นได้ทำลายสัญญาของพวกเขาวากอตวากวตวากอ ต, กอ ต, กอ ต, กอตลีฮิมุนแอมบีแอบิโกอริฮัก นะแล้วก็ทำลายสัญญาและก็ปฏิเสธอายาของอัลลอฮ์แล้วก็ยังฆ่าบรรดา น, นาบีโดยสปัสจากความเป็นธรรมซึ่งเรื่องตรงนี้ก็จะถูกกล่าวไวนะ้ตั้งแต่ในสมัยของท่านห น, นาบีอีสานะครับก่อนหน้าห น, นาบีมูซาก็จะมีมีนาบียะยานาบีระการิยา นะครับนบีสองนบีที่ถูกฆ่าตายเลยนะก็คือนบีซักกรียาส่วนนบียะยาถูกตัดคออโหดมากพนนี้นบียังฆ่าส่วนนบีอีซาก็ถูกแต่ว่าเปลี่ยนคนนะแล้วก็นบีอีซาก็ถูกยกขึ้นไปเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูความหมายตรงนี้ส่วนนบีมูฮัมหมัดนี่ก็โดนหลายครั้งตั้งแต่ที่คอยบัตรรอบหนึ่ง ขอยบัตนี่เอาแกะมาให้ขาแกะมาให้อาบยาพิษดนะแล้วก็นบีก็ทานไปนะครับพอนบีทานไปนบีก็รู้ว่าเป็นยาพิษก็ถามผู้หญิงคนนั้นว่าทําไมเอายาพิษมาใส่นบีละ่ะเขาก็พูดด้วยหนะ้าตาเฉยบอกว่าก็เป็นการพิสูจน์ไงว่าเป็นนบีจริงไหมถ้าเป็นนบีจริงเอเล็กก็ต้องช่วยไม่ตายแต่ถ้าไม่ได้เป็นนบีจริงฉันก็ได้ ก, กระจัดคนโกหกสักคนหนึ่งไปโอ้ มันตอบอย่างหน้าตาเฉยนะสุดท้ายเป็นยาพิษไหมเป็นแล้วก็นบีก็รอดจากการช่วยเหลือของอัลลอฮ์แต่ผู้หญิงคนนี้สุดท้ายโดนประหารชีวิตเอาทําไมอะ่ะเพราะมีคนอื่นที่กินไปด้วยแล้วตายมีซอบ้าอีกคนนึงไม่ได้กินคนเดียวนบีนี่ยทานแล้วก็อีกคนนึงก็กัดไปด้วยส่วนคนที่กัดอีกคนหนึ่งนี่ยตายเมื่อตายก็ต้องเป็นการฆ่าคนโดยเจตนาจึงผู้หญิงคนนั้นจึงถูกตัดคอ แต่ของนบีเนี่ยไม่โดนฆ่าเพราะาอะไรเพราะว่านาบีไม่เป็นอะไรและนบีก็พูดถึงตอนที่ ท, ท่านนาบีเจ็บใกล้จะ ว, วาวาตาดนาบีก็บอกว่ายาพิษเนี่ยมันส่งผลทำให้อาการเจ็บป่วยจะเป็นไงรุนแรงขึ้นแต่ว่าพิษเนี่ยมันไม่ได้ออกไปจากร่างกายนะมันยังคงค้างอยู่พอภูมิเราตกปับ๊บมันก็จะมีมีปัญหาทันทีนะแต่ถ้าเป็นคนอื่นนะ่ตายแน่นอนเพราะพิษนี้เป็นพิษที่แรงที่สุด ของบรรดา ย, ยาฮูดเลยคือใครกินไปนี่ไม่มีทางแก้เลยไม่มีทางแก่ตายอย่างเดียวอแต่เอาลอให้ช่วยเหลือนบีแล้วกี่หลายครั้งที่พยายามลอบฆ่านาบีเรียกนบีมาจงที่กําแพงแล้วก็จะเอาหินทุ่มใส่นบีให้ตายนะคือพวกนี้เนี่ยถ้าไม่พอใจนบีเขาก็จะวางแผนในการฆ่าสําเร็จไปสองอย่างที่บอกไปแล้วนบียะฮยากับนบีสักะริยานะครับสําเร็จนะ นั้นนบีก็ตายได้นะไม่ใช่ว่านาบีจะไม่ตายนาบีก็ตายได้นะครับอ่ะอัลลอฮ์บอกต่อว่าว่ากูลูวะกูรูกาลิฮิมกููบูนากุลฟนะและการที่พวกเขากล่าวว่าหัวใจของเรานั้นมันมีเปลือกหุ้มอยู่อ่าคือไปโทษหัวใจเหตุที่ทําไมเราเกิดความหิจชาอ๋อมันเป็นที่หัวใจนะ แต่เราบอกว่าหาไม่ได้ไม่ใช่หรอกบันาบาลนต่อมาอัลลอฮฺว่าเลายฮะบิกุฟรีฮิมอัลลอฮฺได้ทรงประทับบนหัวใจของพวกเขาต่างหานาีเนื่องจากอะไรสาเหตุฟาลายุมีนูเนะี่เนื่องจากพวกเขานั้นเป็นผู้ที่ปฏิเสธนะปฏิเสธศรัทธาของพวกเขาเองดังนั้นหัวใจของเขา พวกเขาจึงไม่ด <Right. S 1> well. ังนั grasp, arch, ้นพวกเขาจึงไม่ศรัทธานอกจากเพียงอิลลากอลีลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นถามว่ามียาฮูที่มาศรัทธาต่อร้อนไม่มีก็อับดุลลาบิสลาม์เคยเล่าไปแล้วนะคือถ้ามาก็มาแบบดีเลยอเพราะว่าเป็นคนที่มีความรู้ในคัมภีร์นะครับนะแต่ส่วนใหญ่มักจะปฏิเสธอัลลอฮ์ด้วยกับความอิจฉาดิษยาที่พวกเขามีต่อนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาไลฮิวะสัลลัมอัลลอฮ์กล่าวต่อ ว่ามีกูฟรีฮิมและเนื่องจากการปฏิเสธศรัทธาของพวกเขานี่ยแหละว่าเกาหลีฮิมอ้าแรมารยาทและก็ปฏิเสธโดยการกล่าวร้ายแก่มาร ย, ยาทพระยาฮูดกล่าวว่าทางพระนางมารยมทําอะไรรู้ไหมพีม่น้องหน้าตบปากเหลือเกินมันบอกว่านางพระนางมารยมทําจีนาแอนะซึ่งเมื่อไปดูประวัติของพระนางมารยาทเนี่ยเป็นหญิงที่ดีที่สุดนะ เขาบอกวาอ่าอย่าใช้พระนางมงันดูไม่ดีเขาบอกท่านหญิงแล้วกันท่านหญิงท่านหญิงมารยมนะครับเป็นผู้หญิงที่ชีวิตของนางเนี่ยอุทิศให้กับการดูแลผู้ที่มาทำอิบาด์ดะต่อลอสุบฮานะหัวตาละอยู่ในอยู่ในเมียรอบเมียรอบตรงนี้ก็หมายถึงที่ที่มีการอ้าวกดไม่ได้ด้วย นะตั้งแต่เกิดเลยพอเกิดมาเสร็จก็เอาไปเติบโตอยู่ในถ้าเป็นบ้านเราก็มสัสยิดตแหละแต่ตอนนั้นก็เลยเป็นโบสถ์นะเป็นโบสเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีสุเราก็เป็นสถานที่ทําอิบาร์ด้านะก็เกิดมาก็เป็นอย่างนั้นเพราะเหตุตั้งแต่ตอนท่านคันจำไม่ได้จําได้ไหมหละ่ะที่ฉันเล่าไปแล้วว่าแม่บนเก่าล้ออิมรอนก็บนเลยอิมภรรยาของอิมรอนบนเก่าล้อเลยว่า ขอให้เด็กในคันนี้รับใช้ศาสนาของอพอออกมาเป็นมัรยมก็เสียใจนิดนึงเพราะอะไรพ่อผู้ชายกับผู้หญิงใหญ่ได้ผู้ชายมากกว่าแต่ก็บนไปแล้วก็ให้พระนางมัรยมอยู่แต่ในในเมียรอบอยู่ในวิหารไม่เคยออกมาข้างนอกเลยบางคนบอกเราจะกินอะไรล่ะเช้ามาจะมีผลไม้มาวางที่หน้าต่างเอาลอให้มะลิกาเอาผลไม้มาวางหน้าต่างมีผลไม้ที่ต่างจากฤดูอื่นด้วย เป็นผลไม้ที่ไม่มีในฤดูกาลนั้นสแสดงว่าไม่ใช่มนุษย์หาแน่นอนเป็นสิ่งที่เอาล้อประทานให้อันนี้เป็นดิสกี้ที่ได้มาโดยไม่มีการขนขวยญนะไอพวกเราไม่ได้อย่างนี้นะเออไม่ได้นะตื่นเช้ามาผลไม้มาเต็มหน้าบ้านแล้วสแสดงมีคนแขวนเชื่อไม่ใช่คนอื่นมาไม่มีไม่ใช่บริเวก้ามาให้มีคนมาแขวนให้เติมสื้อหายดีวันก่อนมีจระประดับมาไว้ที่หน้าบ้านฉันหาตัวอยู่ใครวะ อ๋อครูเข้าไปใต้มาเขาจำปาด่ามาฝากเอาไว้ อ, อไม่ใช่มาริกาหรอกคนนะแต่พระนางมารยำเนี่ยเอา ล, ล็อกให้หลังจากนั้นเอา ล, ล็อก็แจ้งข่าวดีแล้วก็ให้มีนบีอีซามาเกิดนะครับในตั้งครนไอพวกนี้ก็เลยใส่ร้ายพระนางมารยำเลยบอกว่าเป็นผู้หญิงที่ทําซินาพระนางมารยำตอบโต้ไงรู้ไหมไม่ตอบโต้อะไรเงียบพราะบนเกาะล็อกว่าจะไม่พูดเหมือนกัน พออุ้มเด็กมาอยู่ในอุ้มอยู่ในในอะไรเนี่ยในในบอกบาแล้วกันเนะในผ้าเนี่ยเเป็นทารกอยู่เนี่ยก็ให้ชี้ไปให้ถามเด็กเด็กคนนี้ก็เลยบอกก็คือนบีซาพูดได้จังเด็กเลยแท้จริงฉันเป็นบ่าวของลอและฉันก็จะเป็นรอซูลของลอและฉันจะและฉันจะได้รับคำพีในอนาคตบอกตั้งแต่ตอนยังเป็นเด็กทารกเลย คำถามต่อมามีคนมีปาดเขาอธิบายต่อว่าหลังจากนั้นนะบีอีซาที่อยู่ในบ่อเนี่ยพูดตลอดเลยป่ะไม่พูดแล้วนะพูดแค่ั้นนั้นแหละครั้งเดียวเป็นโมยีศาสเป็นการโต้อตอบพวกเยโฮลดบอกว่าพระนางเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ไม่ได้เกิดจากการทำจีนาเป็นการยืนยั น, น, ย น, ยนและเป็นโมยีศาสด้วยอ่าเพราะาเด็กที่จะพูดได้เนี่ยมันเป็นไม่ได้เด็กทารกพูดได้แต่เกิด ก็ไม่ได้มีในประวัติศาสตร์มีสี่คนเด็กที่พูดได้แต่เกิดหนึ่งนบีซาลฮิสลามอ่าสองลูกสาวลูกของมัชิตอ้อ่าลูกลูกของมชิตอที่จะถูกโยนลงไปในน้ำมันน่อันที่สามก็อิมนุจุรอยอ่าเด็กที่อยู่ในเปลที่อิมนุจุรอยจะโดนประหารอยู่แหละจะโดนเอาไปเผาอยู่แล้วแล้วก็ชี้ไปเด็กก็บอกว่าใครเป็นพ่อ เด็กก็พูดขึ้นมาว่าคนที่พ่อคือไอ้คนเลี้ยงแกะไปดูนะนี่คดียาวบึ้ดเลยส่วนอีกคนหนึ่งก็อันนี้อาจจะไม่ค่อยได้ยินกันเท่าไหร่อีกคนหนึ่งนบีเล่าให้ฟังเป็นเด็กที่กําลังกินนมแม่อยู่อยู่ในวัยทารกกินนมแม่อยู่แล้วมาเนี่ยชอบขอดุอาดีไหมดีขอดุอาชอบขอดุอาให้เหมือนคนนั้นคนนี้เออนี่เราบางทีเราชอบขอให้เหมือนคนนั้นคนนี้แต่เราไม่รู้หรอกว่า ไอ้คนนั้นเนี่ยเบื้องหลังเนี่ยอาจจะไม่ดีก็ได้นั้นเวลาขอเนี่ยขอให้เป็นคุณลักษณะจะดีกว่ายกเว้นว่าขอให้เหมือนกับคนซอนแล่จริงๆเลยคนดีอันนี้เรื่องหนึง่งแต่ว่าบางที่เราเห็นแค่ภายนอกไม่กี่เราขอแล้วให้เหมือนคนเนี้ยคราวนี้แม่เขาก็เลยเห็นคนคนหนึน่งขีม่มา้ามาแต่งตายสง่างา ม, งามก็เลยขอบอกว่าเนี่ยขอให้ลูกฉันเหมือนคนเนี้ยไอ้เด็กนั้นรีบปล่อยนมเลยบอกม่ไม่เอาไอ้คนที่ไม่เอาอะปฏิเสธเลยไม่รับตัวอ มางงเลยขลังนมปฏิเสธเลยพออุ้มรุ่มไปเสร็จปุ๊บไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งกำลังจะโดนคว้างละเหตุที่โดนคว้างเพราะนางถูกถูกันเลยนะถูกลงโทษจากการทําซีนาขอดูอาเลยอยา่ารอคอยลูกชั้นห่างไกลกับผู้หญิงคนนี้อย่าเป็นแบบนี้ไอเด็กนี่ปล่อยนมเลยมาขอเป็นแบบนี้จ้ะอยา่ารอคอยเป็นแบบนี้แค่นี้จบแค่เนี้ยและนบีก็ฉเฉลยบอกว่ารู้ไหมทําไมเด็กคนนี้ถึงไม่รับดูอาของแม่คนนี้ เพราะเบื้องหลังของผู้ชายที่สง่างามเนี่ยมันฆ่าโจ้านายมันมันทั้งปล้นทั้งยึดอํานาจแล้วก็ขึ้นมาเป็นหัวหน้าได้มาด้วยกับการฆ่าคนนะขึ้นพูด ง, ง่ายๆว่าได้อํานาจมาจากการเป็นกบฏฆ่าคนนู้นคนนี้มาแล้วก็ยึดทรัพย์คนอื่นมาไม่ได้มาด้วยความสามารถแต่ภายนอกดูเหมือนดีประวัติเละมากส่วนผู้หญิงคนนั้นที่ถูกจีน่านะ่ยนางจริงๆนางเป็นคนดีมากแต่ถูกใส่ร้าย เมื่อนางถูกใส่ร้ายนางถูกลงโทษนางก็ได้เป็นเฉฮีดได้รับสถานะเฉฮีดเป็นคนดีนะที่อัลลอฮฺสุบฮานาะหัวตาลานั้นไอเบื้องหลังเนี่ยบางทีเราไม่รู้หรอกเป็นยังไงนั้นขอเป็นลักษณะดีกว่าเนี่ยมีอยู่สีคนที่ผูดไดหนึ่งนั่นก็นมีซานี่ยพวกยโฮดเนี่ยกล่าวร้ายกับพนางมารยยมคันนี้พี่น้องผู้มีมานทั้งหลายอันนี้เป็นพิเศษกับพนางมาริยมคนเดียวในสิตรีมาริยมคนเดียว ถ้าหญิงมัตยำคนเดียวเพราะผู้หญิงคนอื่นน่ยไม่มีแล้วนะปรากฏว่าวันดีวันดีนดคืนดีลูกสาวเราบอกว่าอายออฉันจะเป็นมัตยมคนที่สองหาพ่อไม่ได้อยู่ทีท้องเองนี่ไม่มีไม่มีแล้วมีคนเดียวก็ทีอที่ท้องแล้วไม่ที่ตั้งครรภโดยไม่มีพ่อก็คือท่านหญิงมารยมนะครับนะส่วนที่เหลือบนโลกเนี่ยมีพ่อแต่ไม่บอกเขาแล้วแหละเป็นไไปใครนะเอออันนี้ไม่มีนะอย่าไปอ้างอ๋อลูกสาวฉันมัตยำจ้ะ หาพ่อไปเจอนะนี่ซีน่านะครับอา้าวอายะต่อมาอายะที่หนึ่งห้าเจ็ดนะครับอลัลลบอกว่าวะกาลีหิมอินนากอตันนัลนมาซีหาอิซับนมาริยม์มาแล้วและการที่ภูเขานั้นแท้ จ, จริงได้ฆ่าอันมาเซียพี่น้องเข้าใจคำว่ามาเซียไหมมาเซียนี่คืออะไรรู้แล้วนบีซา คด้นมาเสียดัดานไหมมาเสียดัดานคดียินไหมมาเสียดัดานมาเสียอีซาเออมาเสียดัดจานแ ล, แล้วแล้วมาเสียนี่แปลว่าอะไรฮะไม่รู้อ่าไม่เป็นไรไม่รู้ต้องเรียนมาจากคาว่ามาซาห่านี่แปลาว่ารูปสัมผัสเป็นฉายาของนบีอีซาเพราะมวยจีดาดหนึ่งของนบอีซาคือการ รูปไปที่ตัวและคนเป็นไงหายจากโรคเรื้อนใครเป็นโรคเรื้อนหน้าเกียดพอนบีซามือลูบ ป, ปับ๊บหายเลยคนตายไปแล้วนบีซาลูบ ป, ปับ๊บฟื้นเลยไอดัจจานเนี่ยไอดัจจานเนี่ยมันก็มีลักษณะมาเสียเหมือนกันมันจะใช้ลักษณะนี้แหละการรูปให้คนเป็นคนตายทำให้หายเรื้อนมันหลอกคนให้ อีบาดะกับตัวมันมันก็ชื่อมาเซียเหมือนกันแต่มาเซียที่จะนําการรูปเนี่ยไปเป็นชีริกต่อหลอกกับนบีอีซาใช้มาเซียในเรื่องของเป็นมั่วยิสาจยืนยันการเป็นรอซูลของพระองค์ต่างอยกต่างกันมีแค่สองคนเนี่ยที่ใช้รูปละหายกันเนี่ยมาเซียอีซาอีคนหนึ่งก็อีคนหนึ่งดจานนนนมาเซียเหมือนกันนั้นอัลมาเซียเป็นหนึ่งใน ฉายาของนบีอีสาเพราะว่ารูปปั๊บหายเลยเป็นโมจีสานอ้าวต่อนะเมซี ح, อีซาบุตรของมารยามรอซูลของอัลลอฮ์เห็นไหมนบีอัลลอฮ์บอกว่ารอซูลไม่ใช่พระบุตรนะเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ว่าม้ก็ต่ลูหู่ว่ามาโซลาบูหู่ว่าลากินชุบบิฮาระหุม แต่พวกเขาหาได้ฆ่าน บ, บีอีสาราไม่หรือหรือได้ตึงน บ, บีอีสาราบนญไม้กางเขนไม่แต่ถ้าว่าพวกพวกเขาถูกทำให้เหมือนเขาถูกทำให้เหมือนแก่พวกเขาอันนี้มีหะดีษยาวหน่อยนะคืออย่างนี้นะบนโลกเราเนี่ยมีความเชื่อนะบีอีสานี่เยอะมากเลย คุณจะไปอ่านอะไรมากี่สิบความเชื่อกันแล้วแต่นะอ่านได้ไม่ได้หรอกแต่ถ้าอ่านแล้วมันไปขัดกับกุฎอ่านต้องทิ้งทันทีเพราะกุฎอ่านมายืนยันแล้วว่าไอสิ่งความเชื่อเหล่านี้ที่คนพูดกันเนี่ยมันเป็นเรื่องเท็จแต่ถ้าเรายังเชื่ออยู่ว่าไอคนที่อยู่บนไม้กางเขนเนนะ่ยคือนบีซาเนี่ยอันนี้ไปเลยนะอากีดาไปแล้วนะไม่ใช่แล้วนะเพราะชาวนาซร์เนี่ยเขาคิดแบบนี้เขาคิดว่าคนที่ตกตรึงเนี่ยก็คือ นบีซาพระเยซูแล้วสาเหตุที่โดนตรึงและตายเสียสละเป็นการเสียสละล้างบาปครั้งยิ่งใหญ่แนวคิดของเขาก็คือว่าพระเจ้าเนี่ยทนเห็นมนุษย์บาปตั้งแต่สมัยนะบีอาดัมไล่มาเลยมีนัวเอ่ยบาปเต็มโลกไปหมดล้ะพระเจ้าเลยเอวตารตัวเองลงมาเป็นมนุษย์หรือทรงส่วนหนึ่งของตัวเองลงมาเป็นเป็นลูกอวตานรนั่นแหละ ลงมาเพื่อมาทำการล้างบาปให้กับมนุษยชาติพวกนี้คิดต่อบอกว่าใครที่เชื่อในเยซูก็คือถูกอะไรล้างบาปแลว้วคราวนี้เขาบอกต่ออันตรายมากเขาบอกว่าเขาจะทำชั่วกันแล้วแต่เนี่ยถูกรับรองโดยอะไรโดยการล้างบาปของพระเยซูแลว้วขาเชื่อแบบนั้นเลยนะ ดั้นเขาจึงบอกว่าจงเชื่อในพระเยซูเจ้าแล้วเขาไปเผยแพร่ที่ไหนให้เชื่อพระเยซูเจ้าแล้วเจ้าจะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ปลอดภัยและแล้วต่อไปคุณจะทําช่วยังไงก็แล้วแต่ได้หมดเลยนะคุณจะไปสีนากินเหล้าจะไปทำอะไรก็ได้เพราะคุณถูกล้างบาปแล้วแต่อิสลามเราไม่ใช่เราเชื่อในอัลลอฮ์โอเคพอมารับอิสลามบริสุทธิ์จริงแต่ไม่ได้หมายความพอเชื่อแล้วปุ๊บเราจะทําอะไรก็ได้น่ะปุ๊บบวกกับวัชุ์เชื่อปั๊บกินเหล้าเลย เชื่อปั๊บสีนาเลยบาปไม่ถามว่าบาปไหมยังบาปอยู่ดิอ่าของเราเนี่ยใช้ความดีต่างหากที่จะมาเป็นการล้างบาปไม่ได้เอาความเชื่ออย่างเดียวล้างบาปของเขา เ, เอาความเชื่ออย่างเดียวเลยล้างบาปเชื่อพระเยซูปัป๊บล้างบาปของเราเชื่ออย่างเดียวพอไหมไม่พอต้องทําดีด้วยแล้วทําดีแล้วก็ล้างบาปตบัตด ต, ตั ว, ตตวทําดีแล้วก็เอาความดีเอาความเอาความดีชําระบาปที่ผ่านมาเห็นไหมเออนั้น อันไหนที่เป็นแนวคิดที่มันเข้ากับสติปัญญามากกว่าคราวนี้เหตุถามว่าคนไม่รู้เหรอว่าคนที่คนที่ถูกตึงไม่ไมรู้ครับรู้ครับแต่เดี๋ยวผมเล่าตรงนี้แล้วกันนะขออนุ ญ, ญาตต้องถามความเข้าใจนิดนึงเพราะมันเป็นเรื่อ ง, องกีดาสําคัญอิมโนอับบาสรายงานมาว่าอัลลอฮ์ต้องการที่จะยกอีซาขึ้นไปบนฟากฟ้าอีซาได้ออกมาหาเหล่าสาวกของเขา ซึ่งในบ้านนั้นเนี่ยมีสาวกใกล้ชิดอยู่สิบสองคนคนที่เป็นคนที่ใกล้ชิดคอยรับรับใช้ดูแลอยู่เนี่ยก็คือสิบสองคนถ้าเปรียบเทียบสมัยนี้ก็เหมือนกับซอ บ, บ้านนาบีหมายถึงอีซาได้ออกมาหาพวกเขาจากตาน้ําที่อยู่ในบ้านโดยที่ศีรษะของท่านเนี่ยจะมีน้ําหยดอยู่เดี๋ยวนบีจะไปเจอวันที่นบีซาลงมาผมเปียก ผมเปียกเลยยกไปเนี่ยลักษณะผมเปียกอยู่ผมจะมีน้ําหยดลงมาพอออกมาจากตาน้ําเหล่าท่านก็ได้กล่าวว่าแท้จริงส่วนหนึ่งจากพวกเจ้ามีผู้ปฏิเสธฉันถึงสิบสองครั้งสิบสองครั้งบอกถึงสิบสองปีสีสบสองครั้งหลังจากนั้นก็ได้ศรัทธาต่อฉันนะเขาเล่าว่าหลังจากนั้นอีซาก็ได้กล่าวว่ามีคนใดในหมู่พวกท่านเนี่ย พร้อมที่จะให้อัลลอฮ์ทให้เขามีหน้าตาคล้ายฉันไหมใน12คนเนี่ยนาบีซาถามว่าจะมีใครพร้อมไหมที่จะให้คนเนี่ยหน้าตาเหมือนฉันอ่าหน้าเหมือนฉันเพื่อที่จะได้ถูกฆ่าแทนฉันและเขาก็จะได้ไปอยู่ร่วมกับฉันในสวรรค์อยู่ระดับเดียวกับฉันในสวรรค์เลยมีใครบ้างไหมจะยอมเสียสละตรงนี้ ส่วนเราที่ได้ยินมาฉัน น, นี้เอาความจริงเลยนะทฉันได้ยินมาฉันได้ยินว่าเป็นทหารของคนที่มาจับแล้วก็เอาปีกลูมถ้าเอาเป็นเอาเอาใช้ความคิดหน่อยไอ้ทหารมันก็ต้องรู้จักกันดีใช่ปะเออถ้ามุดเอาปีกลูปปับ๊บหน้าเหมือนในนึงเลยทันแล้วมันจะจับไปทําไมอ่ะมันก็ต้องรู้สิว่าไอ้คนนี้มันเป็นพวกกันใช่ไหมแสดงว่าไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ว่าทหารที่มาจับนะเป็นคนที่อยู่ในสิบสองคนนั่นแหละ ที่อยู่กับ น, นบีอีสานั่นแหละแล้วก็เป็นผู้จัดศรัทธาด้วยใช่ไหมแล้วชายคนหนึ่งที่อายุน้อยที่สุดในหมู่บรรดาที่อยู่ด้วยกันสิบสองคนเนี่ยก็ได้ลุกขึ้นยืนแล้วก็บอกว่าแล้วอีสานะลุกขึ้นยืนยอมรับว่าจะฉันขอเองและวนบีอาสาแล้วนบีซาก็กล่าวว่าจงนั่งลงเถิดเพราะอะไรเพราะเจ้าเนี่ยเพิ่งอายุน้อยอยู่เลยเด็กจบเพื่อนเลยแต่ใจถึงอ่ะ หลังจากนั้นก็กล่าวอีกครั้งหนึ่งว่ามีใครจะอาสาคนเดิมลุกอีกแล้วผมเองครับนะลุกอกีสามอีกรอบนึงแล้วต่ บ, บีซาก็กล่าวว่าท่านคือคนนั้นในเมื่อตัดสินใจแล้วครั้งที่สองแล้วทุน ค, คนนั้นและเขาก็ถูกทำให้เหมือนกับน บ, บีอิส า, บบาก็ถูกยกขึ้นไปที่ช่องในบ้านขึ้นสู่ท่าฟ้าเลย เป็นช่องของบ้านแล้วก็ยกขึ้นไปเลยแล้วคนยิวที่ตามมายิวเนี่ยมันไปส่งจดหมายไปที่โรมันให้เอาทหารมาใจไล่ฆ่าเพราะไม่ชอบนะก็ตามมาก็จับไอคนนั้นแหละไปนะและคนในนั้นก็รู้ว่าคนเนี้ยไม่ใช่นาบีซาเขาพบรู้อยู่แล้วเพราะมันเห็นอยู่แล้วก็ถูกจับไปนะและคนคนนั้นก็ถูกฆ่าตายแล้วก็ถูก เสียบเอาไว้อยู่ที่ไม้กางเขนนะและบางคนในหมู่พวกเขาก็ปฏิเสธเขาถึงสิบสองครั้งหลังจากที่เคยศรัทธากันแล้วอันนี้ผมไม่เข้าใจนะขอมาฟด้วยหมายถึงปฏิเสธอะไรไม่รู้เนี่ยคือเรื่องพวกนี้มันเราใช้ความคิดใจนิดนึงขอมาฟับด้วยคราวนี้เอาแค่ตรงนี้ก่อนพอหลังจากนั้นเนี่ย คนก็ถูกแบ่งออกเป็นสามกลุ่มเลยคนที่เคยอยู่ในอ๋อสิบสองคนเนี่ยถูกแบ่งออกเป็นสามกลุ่มหนึ่งกลุ่มแรกก็คือเขากล่าวว่าคนที่ขึ้นไปเนี่ยก็คืออัลลอฮ์เลยไม่ใช่นบีซาแล้วนะคนที่ถูกยกขึ้นไปเนี่ยคืออัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้จําแลงล่างมาแล้วก็ถูกยกขึ้นไปเรียกว่ายะกูบียะพวกเนี้ยพวกยะกูบียะ อันที่สองกล่าวว่าคนที่มาอยู่กับพวกเราเนี่ยคือพระบุตรของอัลลอฮ์กลุ่มแรกหนักเลยบอกว่าเป็นอัลลอฮ์มาอยู่กับเราเลยกลุ่มที่สองก็บอกว่าเป็นอะไรนะเป็นพระบุตรทั้งสองกลุ่มนี้ไม่ถูกกันน ะ, อะขอโทษดีทั้งสองกลุ่มนี้ไม่ถูกต้งคู่เลยเป็น น, นัสตูรียะเด็กนัสตูรียะต่อมาที่สามเนี่ยเป็นพวกที่ศรัทธาถูกต้องก็คือคนที่อยู่กับเราเนี่ยก็คือนอมนบีซานาเละ เขาเป็นบ่าวของอลัลลอฮ์เป็นศาสนทูตของอลัลลอฮ์ครั้งเมื่อถึงเวลาอลัลลอฮ์ก็ยกเขาขึ้นไปหาพระองค์กลุ่มนี้คือกลุ่มที่ศรัทธาที่ถูกต้องและปฏิเสธสองกลุ่มหลังจากเหตุการณ์เนี้ยถูกตึงเนี่ยผ่านไปห้าร้อยปีถกเถียงกันเหลือเกินว่าตกลงไอ้คนที่ถูกตึงเนี่ ย, ปปย ใ, นคน ใ, ใครนะถกเถียงกันมากปรากฏว่ากษัตริย์โรมันก็จัดประชุมกัน นะครับเพื่อที่จะเอาความคิดอะไรสักอย่างหนึ่งปรากฏว่าในห้องที่ประชมุมกันก็เชิญนักปวดมามีใครเชื่อว่านาบีอีซาเป็นพระบุตรบ้างปรากฏว่ามีคนเชื่อแบบเนี้ยครึ่งกว่ามีใครเชื่อว่าเป็นบ่าวขอร้อาไหมมีนิดเดียวเองมีไม่เยอะนะและมีใครเชื่อว่าเป็นอื่นก็เขาก็เลยสรุปว่าให้เชื่อว่าเป็นพระบุตรและก็ให้บันทึกคัมภีร์ไปหลังจากนั้นไม่พอพวกเนี้ยถูกไล่ฆ่าหมดเลย ใครที่เชื่อว่านาบีซาเป็นเป็นบ่าวของลอเหมือนกับมุสลิมเราเนี่ยจะถูกเก็บถูกเก็บหมดเลยจนกระทั่งชาวชา ว, าชาวนาซอรอ์ปัจจุบันเนี่ยเหลือแต่ความเชื่อแบบนี้แต่ถามว่ามีไหมมีน้อยมากเหลือเหลืออยู่เหมือนกันที่เชื่อว่าเป็นนบีซาไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเลยนะไม่ได้เป็นพระบุตรของลอมีแต่น้อยมากเป็นเป็นกลุ่มคริสต์ที่อยู่น้อยแต่เขาก็ไม่ได้ศรัทธาต่อ น, นบีมุฮัมมัดเรานะเออ แต่เขาเชื่อเหมือนกับเราเชื่อเหมือนนบีซาเลยนะก็เรื่องตรงนี้มันก็เป็นเรื่องที่ เ, เราก็ต้องรู้นะครับว่าอนาบีซายังมีชีวิตอยู่แล้วนบีซาจะมาตอนไหนล่ะวันเกียร์มาใกล้วันเกียร์มาก็จะกลับมาอเดี๋ยวอ่านต่อ น, นิดนึงน ะ, ะแปลต่อไม่ได้ถูกทําให้เหมือนอว่าอินนั่นแลรีนักตอละฟูฟีฮีลาฟีชักกิมมินฮู แต่ถ้าว่าเขาถูกทําให้เหมือนแก่พวกเขาและแท้จริงบรรดาผู้ที่ขัดแย้งในตัวเขานั้นแน่นอนย่อมอยู่ในความสงสัยเกี่ยวกับเขาเนี่ยอลัลลอฮ์บอกว่าก็เกิดความขัดแย้งกันสงสัยในตัวคนนี้แหละตกลงว่าเป็นใครนะว่าเป็นนบีซาหรือไม่ใช่หรืออะไรแต่ว่ามุสลิมเราชัดเจนนะไม่มีข้อสงสัยอะไรนะอลัลลอฮ์บอกแล้ว พวกเขาก็หาได้รู้สึกใดๆต่อเขาไม่นอกจากคอยตามความคิดเท่านั้นเองและสุดท้ายก็เฮโลกันไปนะและพวกเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ฆ่านาบีอีสาอย่างแน่นอนอลัลลอ์บอกพวกเขาไม่ได้ฆ่านาบีอีสาอย่างแน่นอนบัลแต่ทว่าบรรอฟาฮุลลอหุีเลยหาไม่ได้อลัลลอ์นั้นได้ทรงยกอีสาขึ้นไปยังพระองค์ตั้งหากและปรากฏว่าอาลัลลอฮ์นั้น เป็นผู้เดชานุภาพและบุษงปรีชายาณอะไรนะอาซีซุนฮากีมฮากีมาอาซีจันฮากีมาซึ่งอันนี้พี่น้องผู้มีหมายท่านหลายบางคนก็บอกอ้าวแล้วแล้ ว, ล ว, ล ว, ลวจะอยู่ยังไงล่ะขึ้นไปที่ไหนอันเนี้ยเป็นคำถามที่เรามอบหมายกับอัลลอฮ์นะอยู่แบบไหนอย่างไรเราไม่รู้หรอกแต่อัลลอ์ทรงเดชานุภาพอัลละ์บอกพวกทาได้ยกขึ้นไป อ่าแล้วนบีอิสาเนี่ยก็เคยมาหานาบีมูฮัมมัดแล้วตอนไหนอ่ะก็ตอนอิซราเอลรอดไงนั่นแหลมาเจอแล้วรอบหนึ่งที่เหลือนั่นมาเป็นตายหมดแล้วนะ่ะมีคนไม่ตายอยู่คนหนึ่งก็นบีอีซาเราเนี่ยไม่ตายนาบีไซไม่ตายมาเนี่ยนะคราวนี้จะลงมาอีกทีหนึง่งก็คือใกล้ๆวันเกียร์มานะครับอะต่อมานะ ว่าอิมมินอัลลินกิตะบิอิลลาละยุมินันนบีฮีกบักบละมาอติฮีและไม่มีชาวคัมภีร์คนใดเลยนอกจากเขาเนี่ยจะต้องศรัท ธ, ธาอย่างแน่นอนต่อท่านนาบีอิสาก่อนที่เขาจะตายอันนี้พูดถึงวันพูดถึงเรื่องอะไรรู้ไหมวันกิ亚马าาครับวันกิ亚马าาเนี่ยคนที่เป็นชาวคริสต์ทั้งหมดจะศรัท ธ, ธาต่อนบีอิสาก่อนที่นบีอิสาจะเสียชีวิต แสดงว่าในยุคสุดท้ายเนี่ยไม่มีแล้วศาสนาเนี่ยไม่มีแล้วจะรับอิสลามหมดเลยเพราะนาบีซามาแล้วไงของจริงมาแล้วก็ <c oughs> มาเผยแพร่แต่เป็นการเผยแพร่หลักธรรมคาสอนของนบีมูฮัมมัดไม่ใช่มีคัมภีรใหม่นะเอาของเอคุณอานนั่นแหละมาสอนในฉบับของนบีมูซานบีอิสาและพวกนี้จะไปจะไปต่อต้อตอตานยังก็นบีซามาเองอ่ะนะก็ศรัทธาเราก็เชื่ออยู่แล้วว่านบีซาจะมาอยู่แล้วก็โจบก็กลายเป็น ศรัทธากันหมดเลยนะแล้วก็ในฮะดิษนี้ก็จะพูดถึงการลงมายาไปหมดเลยเนี่ยพี่น้องกินไม่รู้กี่หน้าเนี่ยเดี๋ยวดูวดิเต็ไมไปหมดเลยไม่แปลกนะที่ตับซีดอายะเนี่ยพี่น้องรู้ไหมประมาณห้าชั่วโมงที่ผมไปนั่งฟังอายะเดียวเนี่ยพูดประมาณสามตอนตอนชั่วโมงครึ่ง นะคือมันยาวเขาก็ไล่า ย, ยาวไปเลยไงเพราะมันเรื่องเกี่ยวกับวันกิยามะด้วยอะไรด้วยแต่เราคงไม่ไหวขนาดนั้นนะเอาแค่ว่ารู้ประมาณนี้ว่านาบีไซมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็ในท้ายของอะไรนะท้ายของในวัน ใ, นใกล้กวันกิยามะเนี่ยนบีซาจะลงมาไมครั้งหนึ่งแล้วก็มาประกาศศา ส, สนาอิสลามเรานี่แหละแล้วก็ชาวคริสต์ก็จะรับอิสลามกันทั้งหมดมาฆ่าสุกรมาหักไม้กางเขนในฮะดิษบอกว่านะมาฆ่าสุกร อ่าเนี่ยมาฆ่าสุกรมาทำลายไม้กางเขนการละหมาดจะถูกรวมสำหรับท่านทรัพย์จะถูกนำมาแจกจนกระทั่งไม่มีคนรับยึดทรัพย์เลยไอพวกคนรวยๆที่คดโกงไปเอาที่เป็นอะเอามาแล้วก็เอามาแจกแจกจนกระทั่งไม่ไหวจะรับกันแล้วกีก็ไม่ไหวจะเอาแล้วทว่านี้จะแจกตังไหวรับไหมไหวดิอยากรับเลยทำดุริล่าเลยกี่บอกในในยุคดับีในยุคท้ายเนี่ย เอาทองให้เอาแล้วเต็มหลังในบหมดไปไหวจะเงินก็เต็มไม่รจะไปทําอะไรขนาดนั้นเน่ะจริงๆเนี่ยทรัพย์บนโลกเนี่ยพี่น้องเชื่อไหมว่าถ้าเอาแบ่งกันจริงๆไปหมดหรอกตัวนี้มันมีคนเก็บเอาไว้เยอะมันมีคนเก็บไว้แล้วไม่ได้ใช้ด้วยนะเก็บเอาไว้เฉยทองมันมีมีอ ย, อยู่มีอยู่ที่หนึ่งเนี่ยอยู่ในประเทศเมกาด้วยแหละเป็นโกดังเก็บทององีทองเต็ไมไปหมดเลยแล้วก็เขาใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดคุ้มกันทองอันเนี่ยไม่รู้มันเก็บไว้ทําอะไร ทองเยอะที่สุดแหละตรงนั้นเนี่ยสมั ย, ยมันรวบรวมมาคือมันเก็บทรัพย์เนี่ยมีเยอะนะแต่ไม่ได้เอามาใช้เรื่องเรื่องทุกวันเนี่ยมันเก็บเอาไว้บางคนฮะเหลือใช้เงินเที่ยวรอให้วันโลกเนี่ยเหลือใช้ก็จะมีซาบกเนี่ยในที่บอกว่าลาบีซาจะเอาทรัพย์มารวมกันแล้วแจกคนจนกระทั่งคนบอกว่าไม่ไหวจะรับแล้วมันเยอะไม่ไหวจะเอาแล้วนะเอาต่อมาอภาษีจะถูกยกเลิก ก็ไม่ลงก็บภาษีแล้วจะไปทําอะไรอ่เงินเต็ไมไปหมดแล้วท่านจะลงบาบัดน้าที่อารรอฟอาร์รอฮะอันนี้ผมไม่รู้จักนะชื่อที่หนึ่งชื่อว่าอาร์รหาหะนะครับแล้วบูฮูไรร์รก็ได้อ่านอายะกุรอานนี้อ่านี่แหละนบีอานอยะมเมื่อกี้ที่ที่ที่เราอ่านไปนะอะ่แล้วก็ใครฆ่าดัชนีมีน้อง เงียบอีแล้วใช่ไหมนบีซานี่แหละเป็นคนฆาตยานเออใครละ่ะก็นบีซาเราเนี่ยนะภารกิจหลักของนบีซาก็มาฆาดตยานมาปราบดัจจานนะครับซึ่งออมันมีนบีในพูดชื่อไว้คนหนึ่งนะชื่อว่าออขณะที่ฉันนอนหลับเนี่ย ฉันฝันเห็นฉันกําลังต ว, วารอบอัลกาบาแล้วก็มีชายคนหนึ่งที่ผิวค่อนข้างดํานะผมไม่หยิกเดินอยู่ระหว่างชายสองคนสีสาวของเขามีน้ําซึมออกมาบอกไปแล้วถ้ามีน้ําซึมออกมาจากผมนี่ใครนบีซาเราผมจะเปียกมีน้ําไหลออกมาตลอดนะฉันก็ได้ถามว่าคนนี้เป็นใครเนี่ยเขาก็ตอบว่าฉันคือบุตรของมารยม ก็คือนบีซาแล้วก็เดินออกไปมองดูก็บังเอิญเห็นชายคนหนึ่งผิวค่อนข้างแดงรูปร่างใหญ่ผิวหยิกตาขวาตาขวาเขาเสมือนตบตาขวาเขเสมือนว่าตาเขาเป็นมิดอ่า ง, งุนปอนอยู่ฉันถามว่าไอ้นี่ใครเนี่ยดัดจานหน้ามันคือดัานนี่ยจำไว้นะหนึ่ ง, นะงผิวค่อนข้างแดงรูปร่างใหญ่เลยผมหยิกตาขวาข เสมือน ว, ว่าตาของเขาจะมีมิรองุ่นปนออกมาเป็นดัจจานนบีบอกว่าหน้าเนี่ยมันเหมือนคนคนหนึ่งชื่อว่าอิบนุกกอตอนชื่อว่าอิบนุกกอตอนคนเนี่ยเป็นเผ่าอยู่ในเผ่าคูซาอะแต่ตายไปแล้วในสมัยยาฮิริยานบีบอกหน้าเหมือนคนนี้เลยอนะแล้วก็ยังมีปาดยังมีขัดแย้งว่าเคยมีซาวบ้าล่องเรือไปแล้วไปเจอดัจจานแล้วนะ่ะอยู่ในเกาะมีเรื่องยาวเลยฮะดิษเนี่ย ไปลองแล้วก็เจอมันก็ถามคำถามแปลกๆกันแหละอ๋อเออมันจะมีลักษณะเขียนกาเฟตทินาภาค mm hmm. คืออันนี้มันจะมองเห็นคนมุสลิ ม, มจะมองเห็นถ้าคนนั้นมันมองไม่เห็นมันจะแสดงอิสริท์เยอะอย่างที่บอกอ่ะรูปคนเป็นคนตายคนก็เชื่อทุกวันนี้นะพี่น้องใครลองแสดงอะไรที่แปลกๆหน่อยนะเดี๋ยวก็ตั้งสำนักได้แล้ว ใช่ไหมเป่าพึ่งออกมาบ้างอะไรบ้างทํามันไม่ได้มายากรเนี่ยนะคนเชื่อเต็มเลยคนไม่ชอบไปศรัทธาและคิดดูดยานมันยิ่งกว่านั้นมันยิ่งกว่ามันไม่ใช่มายากรมันใช้ของของที่อัลลอฮ์ให้กับมันเลยนะแต่มันเอามาหลอกคนลูบคนให้คนเป็นคนตายและคิดดูคนจะไม่เชื่อมันเหรอโอ้ยแต่ไมหมดแต่คนมุสลิมรู้ไอ้นี่ไอโกหกรู้เลยกาเฟสเขียนอยู่นะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเรื่องของมัสยิดดจาน เรื่องของน บ, บีซานะครับเดี๋ยววันไว้มีโอกาสค่อยเรียนกันต่อนี่เราเรียนตับซีดนะก็เอาพอสมควรพออ่ะอ่านต่อนะครับอายะที่หนึ่งร้อยหกสิบนะฟะบิฎุลมิ ม, มินั่ลลาฎีนาฮะดูฮารรัมนาอัลเลหิมตุยิบัต อุหิลล์ ص ลาห์มวับิซดดิห์ ي อาสับิล الله ลลาฮิคาฟิราวว่ ذ มรีบว่ากัดนุฮุอันและอิมุรีบะว่ากัดนุฮุอันและอหมอวลนสบิบล นลิกฟรินั้นมุษอดบัอลีมาและกินร รักษาศิษย์ขุนในศิลป์มิมหมุ่นหมุนยุหมุนบีเมื่อสิลาอิลัยก์ว่า نزل من قبلك والمقيمين ا ل <ت> ص <في ق> ل ا والموتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر ولاقى سانو ตีฮิมอจรอนอาวีมะอุลัยอิตุที่ิมอจรอนอาวิมะมาดูความหมายนะครับฟา บ, บิรุนมินแล้วก็เนื่องด้วยความอาธรรมความอาธรรมก็คือการทำบาบนั่นเองครับอ่า รุ่นมินก็คือการจอเลมนะจอเลมแปลว่าอะไรจอเลมก็คือไปทาบาปจอเลมแปลว่าบาปไงไปจอเมก็คือไปทำบาปไปละเมิดไปละเมิดนะกับอีกคนหนึ่งนะครับและเนื่องด้วยความอาธรรมจากบรรดาผู้ที่เป็นฮาดูฮาดูก็ตัวนี้ก็คือจิวนั่นเอง อาฮาดูยาฮูดีเนี่ยนะเออฮารอมนาเลยหิมตอยีบาทเราจึงได้ให้เป็นที่ต้องห้ามแก่พวกเขาอุให้ละลหุมบีซ ด, ดีหิมอันซบีดิแลฮิกซีรอซึ่งบรรดาสิ่งดีๆที่ได้ถูกอนุมัติแก่พวกเขามาแล้วเนื่องจากการที่พวกเขาขัดขวางแนวทางขอล้ห์อย่างมากมายด้วยตรงนี้เนี่ย อัลลอฮ์ได้เคยเล่าให้เราฟังก่อนหนะ้านี้แล้วในอายะห์ในสุโร อ, อัลอยมรอมจําได้ไหมกุลลุด ต, ตออามีการนาฮิซแลลิบานีอิสรออิลอาหารทุกชนิดนั้นเคยเป็นที่อนุมัติแก่วงวานของอิสรอรอิลามาแล้วอิลลามะฮาร์มาอิสรออิลอลัลาฮิแนบซีนอกจากสิ่งที่อิสรออิสรออิลอิสรออิล น, นี่คืออะไรนบียะกุบนะอิสรออิลคือนบียะกุบอ่า เผาเลยเนี่ยเผาต้นเผาเลยเนะนบียาโคบนะให้เป็นที่ต้องห้ามแกเขาก่อนคำพีเตอร์อดจะปทานลงมาจำได้ไหมอัลล์ห้ามอะไรไว้ห้ามเนื้ออูดกับ น, นมอูดนะก่อนนั่นนี้อนุญาตแล้วมาในในยุคแ้ะก็มาห้ามมานอนุห้ามไว้ก่อนแล้วก็อนุญาตนะครับสาเหตุก็เพราะว่าความดื้อดึงของพวกเยโฮดนยอัลละ์เลยห้าม ของบางอย่างที่มีประโยชน์แต่ปัจจุบันนี้นะในยุค ข, ของนบีมูฮัมมัดของเราเนี่ยสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเนี่ยไม่มีประโยชน์หรอกล้วนแต่เป็นโทษเท่านั้นแหลอะออบคือเป็นเป็นประโยชน์เป็นประโยช น, น, ยชน์อาจจะมองเห็นว่าเป็นประโยชน์โดยทั่วไปแต่จริงๆอาจจะมีโทษที่แฝงอยู่นะครับอะนะนั้นสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามในปนัจจุบันนี้เนี่ยล้วนแต่เป็นสิ่งที่ม่สิ่งที่มีโทษ และสิ่งที่อัลลอฮ์อนุญาตปัจจุบันนี้ก็คือสิ่งที่มีประโยชน์แต่ไม่เหมือนกับสมัยยาฮูดซึ่งยาฮูดเนี่ยอัลลอฮ์บอกเลยว่าไอ้เนี่มีประโยชน์เช่นเนื้อเนื้ออูดกับนมอูดและนมที่มีประโยชน์มากที่สุดก็คือนมอูดนะนมที่มีคุณค่ามากที่สุดคือนมอูดนะเออแต่พอฟังแบบนี้ปับ๊บอาจารย์สบายเลยเดี๋ยวฉันเอานมอูดเลี้ยงลูกฉันเลยไม่เอานมแม่เลี้ยงอันนี้ผิด แต่นมที่มีประโยชน์มากที่สุดสำหรับเด็กทารกคือนมแม่ไม่ใช่นม อ, อูนอัลลอฮ์ให้ฮิกมากมากนะพี่น้องนะคืออะไรคือมันจะมีบทบัญญัติหนึ่งเขาเรียกว่าอารดรอหรือว่ารีดรออะไม่ได้เป็นอะไรกันเลยนะไม่ได้เป็นอะไรกันเลยสมมุติผมเนี่ยอยากจะอุปการะเด็กคนนี้เข้ามาอยู่ในบ้าน สมัยก่อนมันเป็นคนอื่นนี่ให้มากินนมเดียวกับลูกเราเป็ภรรยาเราเนี่ยคนคนนั้นก็จะกลายเป็นมะลูกก็เหมือนกับลูกของมะเราเลยไอย้ลูกของภรรยาเราเลยเป็นแม่เลยครับกินนมแค่ห้าอิม่มกลายเป็นแม่ลูกกันแล้วและพี่น้องทั้งหมดของเราก็กลายเป็นพี่น้องแต่งงานกันไม่ได้เลยและเห็นเอาร้อได้ไหมอย่างนี้ ได้ดิก็เห็นได้แล้วกลายเป็นเป็นแม่ลูกกันแล้วเหมือนกับลูกเราเนี่ยแหละจับมือได้เห็นอยู่ในบ้านได้อืมคือดีดออานีเปรียบเสมือนเป็นญาติเราสนิทเลยนะอ่าเห็นเห็นเห็นภรรยาเราไม่คุมหัวได้เพราะเป็นพราะมากินนมเราแล้วแต่แต่แต่ที่ผล ต, ต, ตาตามันคือแต่งงานกับลูกเราไม่ได้ด้วยทั้งหมดเลยเป็นพี่น้องกันหมดเลยเหตุเพราะการดื่มนมห้าครั้งคนอื่นเลยนะคนอื่นเลยนะ มีสมัยหนึ่งมีคู่รักสมัยนบีรักกันมากเลยชอบกันวันจะแต่งงานเรียบร้อยแล้วนัดมาฮงมาฮัเดเรียบร้อยแล้วจะนินก้ากันแล้วด้วยปรากฏว่าความไปถึงแม่นมคนหนึง่งแม่นมคนนี้แก่มากแล้วปวดกระเียนไปแล้วทุกวันนี้ไม่มีนมแล้วแห้งหมดแล้วแต่จำได้ไวัยสองคนที่เคยมาดื่มนมฉันด้วยกันอยาย่าจาแม่น ก็เลยไปบอกกับ น, นบีนบีมาถึงก็ถามเลยไอ้นี่แล้ไอเด็กมันจะไปจาได้ไหมมันจาไม่ได้รองเป็นเด็กก็ไปถามพ่อแม่ของทั้ ง, งคู่เลยเฮ้ยตอนคนเนี้ยเด็กยังเป็นทรารกอยู่เนี่ยกินนมคนนี้ไหมกินแต่เขาไม่ได้รู้เนี่ยมากินตอนไหนเพราะกับเขาก็รับเป็นแม่นมเขาก็รับหมดอ่ะใช่ป่ะอาจจะมากินเมื่อสามอาจจะห่างกันหปีก็ไดะ เด็กก็ไม่รู้แต่พ่อแม่นะ่ะจําได้ว่ามาฝากวันนี้ดูแลเป็นแม่นมจ้างแม่นมวันนี้ก็จ้างแม่นมเท่านั้นแหละรักลมสลายกลายเป็นพี่น้องกันต้องเลิกกันเลยต้องติณิก้าไม่ซ้อแล้วกลายเป็นมารอมกันโอ้ยนี่สมัยก่อนเป็นอย่างนี้เยอะนะเพราะว่าแม่นมคนนึงเนี่ยเขาเลี้ยงลูกเพียบทุกคนที่มากินเนี่ยเขาแต่กลายเป็นพี่น้องหมดเลยเออที่ฉันเล่าตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า น้ำนมเนี่ยมันสืบสันดานด้วยเอองนั้นถ้าเรากินนมคนนี่แหละเราก็จะมีลักษณะเป็นคนนะประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละก็แปลกไปละกินคุณนมคนอื่นกลายเป็นพี่น้องกันเลยอ่ะฉันก็งงอ่ะแล้วนี่ไปกินนมอย่างอื่นก็ระวังให้ดีนะพยายามแล้วกันข้อข้อสรุปของฉันดูแปลกแปกนะพยายามให้กินนมคนนะ เออนมแต่นี้ไม่เป็นไรถ้าโตแล้วไม่เป็นไรนะพูดถึงทารกนะครับทารกนะทารกต้องกินนมแม่โตแล้วกินนมวัวได้ไม่เป็นไรไม่ไดื้อหรอกตอนเด็กๆให้กินนมแม่ไปก่อนนะเอาครบสองปีหรือไม่ถึงก็ได้ฮะประมาณปีหนึ่งก็ได้นะอ่ะเล่าให้พี่น้องฟังก็คือว่าอาหารขอยอิสรตรอีนเนี่ยอัลละฮ์ห้ามเอาไว้ห้ามเอาไว้บางอย่างนะครับเพราะเหตุที่ห้ามเพราะมันดือ้อ มันดื้อก็เลยอัอ ก, ก็เลยห้ามบางทั้งที่มีประโยชน์นั่นแหละเป็นการดัดยิสัยสแต่สำหรับพวกเราเนี่ยอัลลอฮ์ห้ามเนี่ยไม่ใช่เพราะเราดื้อน่ไม่เกี่ยวเพราะเป็นของไม่มีประโยชน์สังเกตได้เลยอัลลอ์บอกต่อว่าอคอวะอัคซฮมุรบาและเนื่องด้วยใจาสาเหตุหนึ่งพวกเขาเนี่ยจะเอาดอกเบีย้ยพี่นอ้องเชื่อไหมว่าธุรกิจธนาคารเนี่ย ธนาคารดอกเบีย้ยเนี่ยที่เราทุกวันนี้ที่เรากําลังงวนอยู่กับมันด้วยเนี่ยนะมันเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นบนแนวคิดของยาฮูดียิวนี่แหละเป็นคนตั้งธนาคารแรกของโลกธุรกิจประกันภัยก็มาจากยาฮูดไอที่หารอมทั้งหลายเนี่ยที่สลามเราห้ามดอกเบีย้ยอิสลามห้ามเรื่องประกันประกันชีวิตประกันภัยเนี่ย มาจากยาฮูเท่านั้นเลยแม้กระทั่งแนวคิดชิริกนะเช่นการเชื่อว่าเดากลับไปนิดหนึ่งการเชื่อว่านาบีอีซาเนี่เป็นเป็นส่วนหนึ่งของอัลลอฮ์เนี่ยคนที่เป็นคนปล่อยข่าวก็คือพวกยาฮูนี่แหละยาฮูนี่แหละเป็นคนสร้างเรื่องสตอรี่นี่มาแม้กระทั่งในยุคสมัยของนบีมุฮัมมัด อับดุลลออิมูสระไอวอเนี้ยเขาเด็กตัวสร้างความปันปนป่นป่วนเป็นเยฮูดเป็นเยเมนเป็นคนเยเมนปลอมตัวมารับอิสลามเป็นเหตุทําให้ท่านอุสมานถูกฆ่าตายก่อวอดและทําให้เกิดลัทธิชีอาอาลาวิยูนเป็นลัทธิชีอาที่สุดตรงที่สุดเพราะเชื่อว่าอาลีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอัลลอฮ์เขาจะกราบไหว้เลยนะ กาบไหวเหมอนล่อเลยอ่าชีอะที่สุดตรงที่สุดในบรรดาชีอะก็คืออรารวิยีนหรืออรารวิยุนคือทุกวันนี้มันจะเป็นสิบสองอิมัมอาอารวิยุนเนี่ยไม่ค่อยมีหรอกมีไม่เยอะแต่โหดมากเลยนะพวกนี้สักโหดฆ่าคนซุนฆ่าคนที่เป็นซุนนะนะครับจับเด็กฆ่าหมดเลยพวกนี้อ่าแนวคิดเนี่ยมาตั้งแต่สมัย อาดูลอมมิลซาบะแล้วพยายามบอกว่าท่าน阿ีเนี่ยพิเศษเป็นคนที่พิเศษแต่ถามว่าท่าน阿里เนี่ยมีความพิเศษจริงไหมจริงสิเป็นอารุนเบสเนะ่ไม่พิเศษไงแต่มันยกจนกระทั่งไปไงเลยเถิดเลยมันยกเกินไปเลยนะแม้กระทั่งสมัยท่านนับีเนี่ยนะมีคนมากล่าวมาเรียกนับีเป็นไซยิดโอ้ไซยิดีนาของฉันพ่อของท่านเป็นไซยิดนะโอ้ย์กล่าว ชื่นชมนาบีนบีบอกว่าก็พูดไปได้ไมันเป็นไรร็อกแต่อย่าอย่าตกเป็นทาสใช้ตอนแล้วกันแปลว่าอะไรแปลว่าชมจนกระทั่งตัวเองเป็นไงหลุดเลยเถิดดนั้นการการกล่าวไซยิดีนาเนี่ยไม่ได้เป็นบทบัญญัติในอิสลามที่จําเป็นต้องกล่าวแต่ถ้ากล่าวก็ไม่ได้ถึงผิดอะไรแต่ถ้าไปกล่าวในที่มีสิยัดเช่นในละหมาด อันนี้ไม่ได้แล้วแล้วไอ้คนที่กล่าวก็ไปหาว่าไอ้คนที่ไม่กล่าวนี่ไม่ให้เกียรติซึ่งผิดจริงๆแล้วเนี่ยการให้เกียรตินบีคือการกล่าวสโลวาท น, นาบีเราอ่านตชาชัวุธทวนเนี่ยเราให้สลามนาบีนะได้ไหมอ่าตรงอัสส uh uh ลามูอะไลกะไอูฮันนบยู่กาว่าอัสลามูเนี่ยแปลว่าอะไรให้สลามเราให้สลามนาบีตอนหลังเนี่ยมันจบแค่นี้ ถึงอชชาดาเ็จแลวมีซอบ้าก็มาถามยาอสุรถฉันจะสละวานบียังไงสลามจะให้สลามตลอดแหละเพราะมันอยู่ในสโลมันอยู่ในตาชาวุธแต่ฉันจะสลวานะบนบียะนบีก็เลยสอนเลยอัลลอฮุมมาซลิอัลลาหมุฮัมมัดวะลาอีมุฮัมมัดกามาซลไลตาลายบอรอฮีวาลาจนกระทั่งถึงฟินอารามีในกามีดุมัดิษไม่มีคำว่าไซยิดีนาสักคำหนึ่งนบีสอนแบบนี้ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการความเลวร้ายของยาฮูดเนี่ย มันก็ปั่นปวนมันจะแต่สมมตของเราเนี่ยมันก็มันก็มาสร้างเหมือนกันแต่ไม่โดนเราไม่ค่อยโดนเท่าไหร่มันจะโดนเฉพาะพวกชีอาร์ที่โดนเรื่องของการเชื่อว่าอาลีเป็นเป็นพระเจ้านะครับอะ่ะเดี๋ยวอ่านต่อนนะอะ่ะเดี๋ยวดูความหมายต่อนนะอะ่าพวกนี้จะชอบเอาดอกเบียนะครับเอาดอกเบียนะทั้งทั้งที่พวกเขาเนี่ยถูกห้ามในเรื่องนี้ถามว่าเรื่องดอกเบียเนี่ยถูกห้ามของพวกยิวไหมถูกห้ามเหมือนกันแต่ไม่สนนี เอาประโยชน์ไปก่อนมันคนตั้งธนาคารเลยมันคนตั้งธนาคารเลยนะแล้กก็ชอบปล่อยกู้กับคนมุสลิมด้วยตอนสมัยธรมดาดีนะเนี่ยปล่อยกู้คนมุสนะลิมนะและก็แต่ว่าตอนหลังเนี่ยมุสลิมรู้แล้วก็ห้ามแล้วไม่ก็เลิกทาแต่ตอนก่อนเนี่ยคนมุสลิ ม, มเป็นคนอะไรนะต้องใจดอกให้กับพวกเยโฮธเท่านั้นแหละเสร็จแล้วเรื่องด้วยจากพวกเขาเนี่ย ต้องการจะกินทรัพย์สินของบุคคลโดยไม่ชอบอ่าวาอัคคีหิมอัมวาลนาสีบินบาตินนั้นการการอะไรนะการที่คนคนหนึ่งกินดอกเบี้ยนเนี่ยก็คือการเอาทรัพย์สินโดยที่ไม่ชอบวันก่อนมีคนถามฉันว่าถ้าถ้าจ่ายยืมสตังไปสมมติยืมสตังไปหมื่นหนึ่งเดือนหนึ่ง เดือนนึงก็คือใช้หมื่นหนึ่งเดือนหนึ่งใช้หมื่นหนึ่งนะปรากฏว่าไม่ได้ใช้อีกเดือนหนึ่งยังไม่ถึงเวลาใช้เขาก็บอกโอเคไม่มีไม่เป็นไรแต่เดือนหน้าอย่าใช้เท่านี้นะใช้เพิ่มด้วยน ะ, ะเขาบอกอาจารย์มันจะเป็นดอกได้ไงก็เป็นค่าปรับเขาได้ค่าปรับผิดอะไรนะผิดนัดชำระ ข้าล่าช้าก็บอกไปแล้วกูมาเอาหมื่นนึ่งนั่นแหละแต่มึงพา้ามึงช้าไงมึงช้าก็จ่ายมาดีวันละเท่าไหร่วันละร้อยวันละสองร้อยสองวันก็สองรอย้ยสามวันก็สามรอ้ออาจารย์ทาไมทําแบบเนี้มันก็ไม่ใช่นี่นั่นแหละดอกเบีย้ยไม่ใช่ค่าปรับนี่แหละดอกเบี้ยนะเพราะดอกเบีย้ยเพิ่มจาก หนึ่งมืนเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งร้ยสองร้อสามรอยแลกกับอะไรระยะเวลาถามว่าเขาเป็นหนี้เราเท่าเดิมป่ะไม่ใช่ก็หมื่นหนึ่งเนี่ยเขาเป็นหนี้เราเท่าเดิมใช่ไหมแล้วเราเอาอะไรแล้วเร า, เ า, า, าคิดเพิ่มค่าอะไรก็ะดอบเบี้ยไงแต่มันใช้คําภาษาดีว่าค่าปรับเนี่ยในะหอพักเนี่ยปรับไม่ได้นะปรับป้า บ, รบออกรดอบเบี้ยเลยไม่ได้ปรับไม่ได้ ปรับไม่ได้ปรับก็อบบเออก็เดี๋ยวดอกเบี้ยดอกเบี้บ ย, ยนั่นแหละก็ถามว่าเขาอยู่เกินเดือนปะไม่ไม่ใช่อย่างนี้ค่าปรับอย่างนี้เดี๋ยวจะค่าปรับจะที่ายฟังสมมุติฉันนะให้เช่าเป็นรายวันหลายวันว น, นะปรากฏว่าหนึ่งวันแล้วยังไม่ออกออกช้าครึ่งวันทําให้ฉันเสียลูกค้าอีกฉันปรับได้ พราะอยู่เกินเวลาอันต่อมาสมมุติถ้าเขาจะออกเดือนนี้ฉันบอกออกวันที่สามสิบเรากฏว่ากว่าจะออกอีกสามวันกว่าจะออกไอ้สามวันเนี่ยปรับได้คิดเป็นรายวันแต่ถ้าเขาอยู่เท่าเดิมแต่เขาจ่ายช้าถามว่าระยะเวลาเขาอยู่เขาเพิ่มขึ้นป่ะเพิ่มวันไหมไม่ได้เพิ่มแล้วเราเพิ่มค่าเลยก็แต่เบี่ยงไงดังนั้นวิธีการหนึ่งที่เขาใช้การเลียงนะก็คือเก็บมาก่อน เก็บมาเพื่อดัดนิสยัยแต่ถึงเวลาเขาคืนให้เขาคืนให้วันออกนั่นแหละแต่ถ้าไม่ทําเลยก็ไม่เขาก็ไม่รู้สึกจะใช้อะไรแต่ว่าถ้าเป็นเอาจริงๆอ่ะไม่ควรเก็บมาทั้งนั้นแหละเออไม่ควรเก็บทั้งนั้นแหละเพราะว่าเอามาก่อนมันก็ไม่ได้ก็ต้องผ่อนผันไปฉันมีวิธีอย่างเดียวคือไล่อ อ, อก <c oughs> <c oughs> ช้าก็ไล่ อ, ออกเลยขนานั้นแหละปรับไม่ได้นะน Re ี่แหละเราเนี่ยบางทีเจอเจอเขาเรียกทําลวง ฉันไม่ได้เอาดอกเบีย้ยฉันเอาค่าปรับบัตรเครดิตเนี่ยจริงๆมันก็ไม่มีดอกเบีย้ยหรอกถ้าเราชําระตรงเวลาแต่คุณถ้าคุณชําระช้าปั๊บดอกเบี้ยมาเลยเนีเห็นไหมมีดอกเบีย้ยถ้าคุณช้าเนี่ยไอ้ชาระพ้านี่แหละค่าปรับนี่แหละก็จดอกเบีย้ยนะนั้นดังนั้นนิดนึงนะเรื่องพวเราเระวังนิดนึงเราอย่าไปหลหลนกลกับคำว่าค่าปรับเด็ดขาด น, ะนั่นคือดอกเบี้ยนะบอกฉันเนี่ยเอามาเยอะเลยเนี่ยอาจารย์คนฉันจะปรับอย่างเดียวเลยโอ้เออนั่นแหละกินดอกเบี้ยอยู่ วะอัคคีอัมวาลนาสีบินบาตินวาอาตะดาลินกาฟิรีนามินหุมอาดาบันอาลีมาแล้วเราก็ได้เตรียมการลงโทษอันเจ็บแสบเอาไว้สำหรับผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายอ่ะมาดูต่อนะแลกกี่นิรรอสีคูน่แต่ถ้าว่าบรรดาผู้ที่รู้อย่างลึกซึ้งรอสีคูเนี่ยแปลว่า ผู้ที่รู้ฟินไอ้น์รู้แบบลึกซึ้งเลยในหมู่พวกเขาวันมุมินูนและบรรดาผู้ศรัทธานั้นและเขาย่อมศรัทธาต่อสิ่งที่ประทานลงมาแก่เจ้าและสิ่งที่ถูกลงมาก่อนเจ้าก็คือศรัทธาต่อนบี ม, มุฮัมมัดกุรานและสิ่งที่ประธานลงมาก่อนวัามูกีมีนัสซาเลและบรรดาผู้ที่ปฏิบัติละหมาด วันมูตูนัสกาแล้วก็ชําราสกาดบรรดาผู้ดีศรัทธาต่อรอแลนวันปรโลกวันมูมินูนบินแ ล, ลฮิวเลียวมินอาคิดอูเลอิกาสานุตีหิมอาจารอนอาซีมาเราจะให้รางวัลอันยิ่งใหญ่แก่พวกเขาปรับคือเราต้องเราต้องได้ไปเขาเรียกว่าเขาทําเกินกว่าปราปรับได้ยังอยู่เกินเวลาเงี่ยปรับได้แต่ถ้าไม่ได้อยู่เกินเวลาเระปรับเราเรียกเป็นดอกเบีย้ยนะไปเก็บค่าห้องเพิ่ม คือคือไปเขาอยู่เท่าเดิมไง น, นี้เนอะหรือไม่เขายังอยู่เท่าเดิมไอเดือนใหม่เขาอยู่เท่าเดิ ม, เ, ด ม, เ, เ, ดมเขาไม่ได้อยู่เพิ่มเลยถ้าอยู่เพิ่มนี่ก็ได้ครับปรับมันต้องแลกกับสิ่งที่เขาทาเสียหายคําถามว่าเขาจ่ายช้าเนี่ยมันก็คือนี่ไงนี่เท่าเดิมจะไปปรับเงินเพิ่มไม่ได้ถ้าปรับนสมมุติเขาทําไฟแตกอรรันนี้ได้ครับปรับ อ, อย้ายไปปุ๊บปรากฏว่าเจาะผนังอรรันนี้ครับปรับ ก็เป <necessary. S 2> ็นหนี้ไปไงแต่ห hmm. น like like ี it, ้เมื่อเงินมันเท่าเดิมเขาอยู่เท่าเดิมไงนี่เรื่องของเรื่องเขาอยู่เท่าเดิมแต่สมมุติวันนี้เขานัดออกสิ้นเดือนแต่เขาอยู่เกินมาสามวันไอ้เงี้ยปรับได้เพราะว่าอยู่เกินเวลาแต่ถ้าถามว่าพอสมมติเขาเดือนนี้เขาจ่ายวันที่สิบห้าเดือนนี้เขก็อยู่สิบห้าวันเดือนหน้าก็อยู่ขอโทษดีเขาอยู่หนึ่งเดือนดเดือนเท่าเดิมนั่นแหละแต่จ่ายช้าแค่นั้นแหละก็เราก็ต้องยอมรับไปช้าก็ต้องช้าไปแต่ว่าฉันนี่บอกมาฉันก็ไล่ออกอย่างเดียวไง ช้าเกินสามเดือนเท่าไออกจะไปปรับไม่ได้ปรับปั๊บก็กลายปเป็นดอกเบีย้ยเลยเนี่ยเห็นไหมงงไหมล่ะมันเหมือนจะเหนือนจะทําได้ไงแต่เชฟเขาที่บายแล้วมันคือเราไม่ได้เสียประโยชน์อะไรไงคือเงินมันมาช้าแต่เงินก็คือเท่าเดิมป่ะเท่าเดิมเขียนขูไปงั้นเลยถึงเวลาก็คืนไปนั้นแหละ อย่าไปคิดอะไรมากก็ถึงเวลาลคืนเข้าไปบอกว่าเขียนครูไปงั้นแหละจะได้จ่า ย, ายอืมแต่ว่าถ้าเป็นในพวกผ่อนพวกอะไรเป็นดอกเบี้ยมันก็เป็นก็ดอกเบี้ยนั้นแหละที่จ่ายถ้าช้าชำระเงินเพิ่มเพิ่มเนี่ยทุกวันนี้ก็ดอกเบี้ยนั่นแหละที่จ่ายช้าเนี่ยเราก็ขอพักเราก็จะมีดอกเบี้ยด้วยถ้าเราทํางั้น อ, <laughs> อ้าวขอมาอัพด้วยนะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทําความเข้าใจนะครับอ้าวต่อมานะ ไม่เป็นไรสิ่งที่ผิดพลาดไปผมเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้อินนะน่นะหนูได้ไหมอ่าะนะจ้ายาวหมดเลยโอ้ด้วยเชยตานิโรยิม อินนาอูฮัยนาอิลัยกะมาอูฮัยนาอิลานุฮอินนาอูฮัยนาอิลัยกะมาอูฮัยนา สี่และหนไหวไหมกระชับหน่อยกระชับหน่อยกระชับนิดนึงอ่ากระชับนิดนึงนะเดี๋ยวจะไม่ต้องแช่นานเนี่ยเอาพอดีพดีหน่อยเอาสี่พอคือมัจจาอิสเนี่ยมันมีทั้งสองก็ได้นะจริงๆอ่นสองอยิ่งได้เลยมัจจาอิสเนี่ยสองก็ได้สี่ก็ได้เอ่าสี่พอไม่ต้องเอาไม่ต้องหกหรอก เอาพอดีหน่อยอินน่เอาใหนาะอَเลิกก็มาเอาใหนาอีลานู วันนบَّ ب ِนِّ่บังดีวันนบِนั و َ أ َ و ْ ح َดี ن َ ا إ ِ ل َ ى นั้นไปَิบราฮิมَและอิสมาอ ل ล واسحاقة ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونسا و ه ا ر و, و, و, و, و ن وسليمان อีรบว่ว่วอยบวยสว่รวสลมว่าอสวรวสลว เตยนาดาวดะซาบูรอ วَารุษแล้วไดَกَอสส์นั้นขุมْอาลัยคามีควบว่ารุษแล้วได้กْ๊สส์นั้นَุมเอาลัยคามีควบُ่ารุษแล้วแลมน ص กสส์ขุมเَาลัยคَ วรูสุลันป่ะขอโทษทีนะวรูสุลันวรูสูลันละนะกสุสุุมอเลิกวรูสุลันละนักุสุุมอเลิกว่ากล่ำมัลลอฮุมูซาต์คมา ลุรุษุลัมมุบัชชีรีนั้วมุดิรَนัลีอัลล่ายกูนัลินนัส รุสุลลัมมุบัชชีรี ر และม ل ฎ ي ร ل นเ ل ่ัลลัลนั เล ن าแล้วจะเป็นใ ل ้ الله ่นถูกพระเจ้าประทาน ว่า كان الله عزيزا حكيما ว่า كان الله عزيزا حكيما อ่ะมาดูความหมายนะแท้จริงเราได้มีวะฮีแก่เจ้าแก่เจ้าก็คือนบีมูฮัมมัดของเรานี่ยแหละนะ อัลลอฮ์ได้มีวาฮีแก่ท่านนาบีเช่นเดียวกับมีวาฮีแก่บุคคลที่อยู่ก่อนหน้านี้ก็หมายถึงเราศูนย์ก่อนหน้านี้เล่ามาจากมุฮัมมัดอิมหนูอับีมุฮัมมัดจากอิกรีมะนะบอกว่าอัลลอฮ์ได้ประทานสิ่งใดให้แก่มนุษย์คนใดหลังจากมูซาและอัลลอฮ์ก็ได้ประทานอายะดังกล่าวนี้ลงมาเนื่องจากเป็นคําพูดของเขาทั้งสองที่บอกอินนาเอาไหนน จนกระทั่งจบเนี่ยร้อยหกบสายหกส้าคืออัลลอฮ์ได้ประทานวาฮีแก่บ่าวและรอซูลของพระองค์คําว่าบ่าวตรงนี้หมายถึงว่าปฏิเสธนะการเป็นพระบุตรรอซูลทุกคนเนะี่ยเป็นบาวของลออับดุลลอฮแล้วก็มีตําแหน่งหนึ่งที่เราเป็นไม่ได้ก็คือรอซูลแต่มีตําแหน่งเดียวกับเราก็คือตําแหน่งที่เป็นบ่าวของลอเป็นมนุษย์เหมือนกันก็คือในมุฮัมม uh ัดสุลล็อฮ์วาเลย์วาซัลลัม เช่นเดียวกับเคยประทานวะฮีให้แก่บรรดานาบีอื่นก่อนๆหน้านี้มาแล้ววันนาบียีนมิมบ้าดีนะและบรรดานาบีหลังจากเขาและเราได้มีวะฮีมาจากใครให้แใครอีกให้นบีบรอฮีอิสมาอินอิสฮากยะกูบนะอัสบาดนะคนที่อยู่แล้วก็อซาอายูบยูนุสฮารุนสุไลมาน แล้วก็ได้ประธานคัมภีซาบูตให้แกดะบีดาวุ่ิลองมาไล่ดูนะบรรดาศาสนทูตที่ถูกกล่าวไว้ในกุรานมีกี่ท่านกี่ท่านจ้านาบีที่ถูกกล่าวในกุรอานมีกี่ท่า น, านโอ้โหเก่งมากเลยจ้า <laughs> ถูกแล้ว ก็มีย5่ห้าไงอ่าเก่งมากเลยได้ละถ้าเป็นถ้าเป็นคะแนนก็ไปละครึ่งอ่าได้ได้ละครึ่งหนึ่งอ่าอีกครึ่งหนึ่งอ้าวไหนไล่ซี่ยีห้าท่านมีใครบ้างเขียนเลยเคียนเลยอ่าจำได้แต่คนแรกอาดัมกับคนสุดท้ายมูฮัมหมัดก็นี่มีมีอาดัมนะแล้วก็อิดริส จะไปอันนใช่ไหม<า>เดี๋ยวรอก่อนแป๊บหนึง่งยังเขายังไม่ขายยังใจเย็นตอนนี้เด็กกนลัคุตบ้บาอยู่ <c oughs> อมีน้ํกขึ้เตีออกมาลง <c oughs> อาดามัมอิดาริสนะครับอิดาริสเนี่เป็นนบีที่สร้างปากาเนะี่ยทําปากานัวแล้วก็มีฮุษตมีซอลและมีบรอฮีมีลูอิสมาอินอิสฮากยะกูบนี่สิบและสิบเอดยูซุปสิบสองไยูบ 13. ชสเอฟ 14. บม ah ูซา 15. ห้าฮารูน 16. ยูนุส 17. ดาวูด 18. สุไลมาน 19. ้าอินยาสย0สิอัญชะเนี่ยยี่สิบกริยา 22. ยสิยะยาแล้วก็2ีสาอีซาแล้วก็มี24สุุ่นกิบรีแล้วก็มีนบีมุฮัมมัด25คอตมันนบียีนวันมุร์สลีนเป็นดาวศูนย์ท่านสุดท้ายอัลลอฮบอกต่อว่าวรู้สูลันก็ดะกอษัตรหุม และมีบรรดาศาสนาทูตซึ่งเหอเราก็ได้เล่าถึงพวกเขามาก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่แล้วเรื่องที่เราทราบมาจากประวัตินบีก็มาจากใครมาจากกุรานั้นนั้นแหละแต่ว่าเรื่องของแต่นบีแต่ละคนเนี่ยมีไม่เท่ากันนะบางคนนี่แทบจะไม่มีเลยมีอยู่ชื่ออยู่นิดเดียวนะแต่อย่างเรื่องนบีมูซาอย่างเงี้ยเยอะเล่าตั้งแต่ตั้งแต่นู่นเลยแต่เกิดเลย น, ะน บ, บีมูซานนี่มีหลายพาสหลายพาสนะเยอะนะน้า บ, บีซามันเยอะเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะว่าน บ, บีซานี่โดนยกขึ้นไปอายุเท่าไหร่นั่นแหละสามสิบสามย่างสามสิบสี่เองอายุแค่นั้นเองนะสามสิบสามย่างสามสิบสี่นแล้วก็น บ, บีน บ, บีที่รายละเอียดที่เล่าแต่แต่ซูรดเดียวเลยจบเลยก็น บ, บียูซุป อันนี้อยู่สุรอเดียวเลยตั้งแต่ต้นจบย า, ยาวเลยส่วนที่เหลือเนี่ยจะกระจายอยู่เดี๋ยวไปอยู่ตรงนั้นม่งตรงนี้มัง่งนะอลเราก็เล่าให้ฟังถามว่าทำไมต้องเล่าเรื่องนบีเหล่านี้ฟังด้วยเป็นบทเรียนเป็นอุทาหอนนะนักนักกอรซฮุมาไนกะววากันละมัลลอหมูซาตะคลีมาเาลาเล่าต่อบอกว่าอาลัลลอฮ์ได้ตัดแก่มูซาจริงๆอลัลลอ์พูดกับนบีมูซาจริงสลบสรบเลยนะ อังนั้นเราเนี่ยไม่มีเราเอลลารอดถึงไม่ไม่ให้เราเห็นเอลลารอดในดุนยานี้เราเห็นไม่ได้ครับเห็นแล้วกายเราเลิข์อำนาจของวงยิ่งใหญ่แต่จะไปเห็นวันกิยามะอ่ะนะในนั้นเห็นได้แต่ในดุนยานี่เห็นไม่ได้แค่เสียงเนี่ยสลบเลยอ่ะมีมูซานะ่ยมูนบบีมูซานี่กําลังขนาดไหนแข็งแรงมากนะเจอเสียงของอลอสลบ แล้วก็อายะสุดท้ายนะครับบอกว่าคือบรรดารอซูลในในฐานะผู้ที่แจ้งข่าวดีรอซูลเนี่ยเป้าหมายของการมีรอซูลคืออะไรนำสารก็คือว่ายูเนี่ยมาบอกกับมนุษย์และมีหน้าที่ชี้ให้ใครได้รับทางนำไหมไม่มีบอกให้เฉย <Okay. S 1> เชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่พวกท่าน นะไม่มีอำนาจที่จะไปบังคับให้คนนั้นศรัทธาคนนี้ศรัทธานบีแค่เรียกร้องเชิญชวนนะในฐา น, นะผู้ที่แจ้งข่าวร้ายก็มีแจ้งข่าวดีด้วยแล้วก็แจ้งข่าวร้ายด้วยมุวาชีเรวอนมุนซีรีนข่าวข่าวร้ายด้วยลอัลลายากน์นานาลินนาสเพื่อให้มนุษย์นั้นจะได้ไม่มีหลักฐานหลักฐานอะไรอ่ะหลักฐานในการแกร้ตัวก่อร้อ เพราะเวลาที่เราแก้ตัวกับคนเนี่ยเราก็จะอ้างได้ว่าก็เราไม่รู้นี่ใช่ไหมสมมติเราทำผิดกฎหมายเนี่ยเราอ้างได้เฮ้ยเราไม่รู้นะไม่มีใครมาบอกเราเลยอันนี้มันฟังแล้วมันก็จะมีเหตุผลแต่การที่เราลอกส่งเราซุ่นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้มนุษย์อ้างไม่ได้ว่าอ๋อฉันไม่รู้เลยว่ามีนบีมูฮัมมัด เขารู้กันเท่าโลกไม่รู้ว่ามีนบีมูฮัมหมัดอยู่เนี่ยคําสอนนบีมูฮัมหมัดไม่รู้อ่ะเจนบอกไม่ได้ไปถามคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมเนี่ยรู้ ร, ร, รู้รู้ไม่ว่ า, ามีนบีมุฮัมหมัดนับฮุมหมัดเนี่ยเป็นสัน ส, ะสะดาของสายสลามรู้อา้าวรู้แล้วทาไมไม่ไปศึกษาอ่าเจนอ้างไม่ได้การที่อัลลอฮ์ส่งบรรดารอซูลมาแจ้งข่าวต่า ง, างๆเพื่อจะให้มนุษย์เนี่ยไม่มีหลักฐานในการไปอ้างกล่าวล้อแก้ตัวกล่าวล้อเพราะเราลังทุ่อเพราะ หลังจากมีศาสนาทูตแล้วดังนั้นมันมีกฎอยู่ข้อหนึ่งนะที่ว่าอัลลอฮ์จะไม่เอาโทษคนที่อิสลามไปไม่ถึงมีอยู่เผ่าหนึ่งอยู่ที่ทะเลอินเดียอะไรไม่รู้สมหาสมุนอินเดียเผ่านั้นน่ยมีคนคริสเคยจะล่องเรือไปเผยแร่ต้องแกยผ้านะถ้าใส่เสื้อไปไม่ได้ ต้องแก้ผ้าแล้วก็เอาใบไม้ปิดเอาไว้แล้วก็เข้าไปในเกาะพอเข้าไปหลังจากนั้นแหละเหลือแต่กระโหลกมันจับฆ่าต้มกินเลยเออเผ่านั้นเนะี่ยเขาก็เลยประกาศเลยนะว่าเกาะนั้นเป็นเกาะอันตรายห้ามคนไปพักพอเข้าไปใกล้ๆมันเอาธนูยิงเอาหอกยิงแล้วไอ้ธนูเนี่ยมีพิษด้วยนะโดนต้มเป็นพิษเลยเป็นเกาะที่ไม่มีใครเข้าไปยุ่งได้มีไม่เยอะหรอกบนโลกเราเนี่ยมีอยู่ประมาณเนี่ มีอยู่เผาวพวกเนี้ยไอ้อย่างเงี้ยอย่าให้ฉันไปเผยแพร่ไมเอาอาจารย์ช่วยไปเผยแพร่ก่อดนนีหน่อยใตย <c oughs> อนน้อันนี้ไม่กอดปล่อยมันไปอ่าอย่างเงี้ยพวกเนี้ยอัลลอฮ์ไม่เอาโทษแล้วก็ไม่รู้จะหาใครไปเผยแพร่ด้วยมันฆ่าเลยเป็นชาวผ่าชาวเผ่าอยู่ในในป่านะครับไอ้อย่างเงี้ยนะก็ถือว่าอัลลอฮ์ไม่เอาโทษพวกนี้ที่อิสลามไปไม่ถึงนะครับชาวป่าชาวเขาอยางเงี้ยนะแต่ทวันนี้ก็อย่างที่บอกอะ ชาวป่าชาวขาวนี้อิสลามก็ไปถึงหมดแล้วน่าจะมาอ้างไม่ได้นะครับเอาลอปิดท้ายด้วยว่าวาการนั่งล้ออาซีดันฮากีมาเอาลอนั่งสรงเดชานุภาพบุรงปีชายนะครับสุภานักกอลลุมแมววิหามนิกาชดวนลาอิลาฮิลอันตาสตัฟิลูกาวาตุบิไลอัสสลามอนอิกุมมอร์รามตุลลอวรกาตุ